ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสติปัฏฐานาสูตรในตอนที่ว่าด้วยสังขาปภะสัจจปาภะคือหมวดที่ว่าด้วยสัจจะก็คือหลักของอริย ส, สัจสี่นี เป็นธรรมเทศนาที่ทรงแดงทรงแสดงค่อนข้างปิดสดานมากส่งให้รายละเอียดคำแต่ละคำโดยการนิยามความหมายว่าคำนั้นหมายความว่ายังไงคำนั้นหมายความว่ายังไงจึงจะอ่านว่าท่านที่ได้อ่านก็จะเข้าใจชัดเจนว่าชาติคืออะไรชราคืออะไรมรณะคืออะไรแก่คืออะไรเจ็บคืออะไรตายคืออะไร ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเทเใจความกับแค้นใจเนี่ยแต่ละคำนั้นจะส่งอัตถาอธิบายเองแต่กันที่จริงก็คือสภาพความจริงในชีวิตเราที่สัมผัสกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าบางทีเราไปอธิบายจนนอกเรื่องจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็ความในตอนต้นนั้นก็ส่งขึ้นมาข้อความดีกันว่า พิสูต่างหลายที่จะพิสูตพิจารณาเห็นธรรมคือสัจจะสี่อย่างไรเล่าภิสูตในธรรมีในนี้ยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกสมุทัยนี้ทุกกนิโรธนี้ทุกกนิโร ธ, ก, ก, โรธกามินีปฏิปทาหรือพูดงง่ายๆก็คือว่าทุกดันก็เหมือนกับปัญหา สมุทัยก็เหมือนสาเหตุของปัญหานิโรธก็เหมือนความดับแฝงปัญหาแล้วก็มรรคก็คือหลักการวิธีการในการดับปัญหาเจียบอีกจังหนึ่งก็ทุกเือนกับอาการป่วยสมุทัยก็เหมือนกับเหตุให้ป่วยนิโรธเหมือนความหายจากป่วยแล้วมรรคก็เหมือนกับการเยียวยารักษาจนคนหายป่วยนั่นเอง รับสั่งล่าว่าด้วยเหตุดังแสดงมานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเชื่อมไปในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมตั้งธรรมเป็นเหตุ เกิดขึ้นทั้งทำเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบ้างอยู่หรือว่าสติของภิกษุตั้งมั่นอยู่ว่าทำไม่อยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยเพียงสักว่าอาศัยระลึกฉะนนั้นแต่เป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่สามารถ อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือสัจจสีเราฟังนองสังเกตว่าในช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ทรงเน้นไปที่กิเลสสองข้อคือตัณหากระทิต ทิฏก็คื อ, ค, อคือความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งเมื่อเราเป็นแล้วเราก็ต้องได้ตามสถานะที่เราเป็นก็รู้สึกอยากได้แต่ถ้ากว่าทิฏมันลดลงเท่าไหร่เนี่ยความอยากมันก็จะลดลงเท่านั้นอยากที่พระเรียบุคคลท่านไม่ได้อยากอะไรท่านไม่อยากก็ท่านก็ไม่ได้ ต้องการนั้นนั้นสิ่งนั้นเป็นของท่านนั่นเป็นของเราเราเว้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นดนของเราอะไรเนี่ยคือความอยากต่างๆมันไม่เกิดขึ้นจากนั้นรับสั่งว่าพิสุทั้งหลายก็ทุกอาเรยศาสตร์เป็นฉไฉไรคือแม่ชาติก็เป็นทุกขแม้ชะลาก็เป็นทุกแม่มรณะก็เป็นทุกข แม้โสกะปริเทวะทุกโทมนัดอุปายะก็เป็นทุกข์ความประจวบ ก, กับสิ่งไม่เป็นทิรักก็เป็นทุกข์ความระดร่าแก่สิ่งเป็นท่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์นิส่งแสดงทั้งทุกข์ก็เรียกว่าทุกขประจับ คือทุกโดยสภาวะแต่เกิดแก่ตายล่านั้นก็เป็นทุกที่จรเข้ามาตามการประจวบอารมณ์การกำหนดอารมณ์การยึดติดในอารมณ์ของบุคคลแล้วก็ส่งอธิบายขยายความของคำแต่ละคำเนี่ยธรรมชาติชราเป็นต้นชาติก็คือความเกิด ความเกิดในกำเนิดต่างๆนะเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นพรมเกิดเป็นอะไรก็ตามก็สรุปว่าก็เป็นความเกิดวันนั้นเองรับสั่งถามว่าพิสษุทั้งหลายก็ชาติเป็นชไหนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะพร้อม ของหมูสัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆอันใด อ, อันนี้เรียกว่าความเกิดคือสรุปว่าการเกิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรก็ตามมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่สรุปแล้วว่าเกิดโดยกําเนิดทั้งสี่ประการก็คือเกิดในขั้นก็ได้แก่คนได้แก่สัตว์ส่วนใหญ่เนะี่ยคลอดออกมาก็เป็นตัวเป็นตนเลย แล้วก็เกิดในไข่ก็ได้พวกไก่พวกเป็ดพวกห่านพวกนกพวกอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้เรียกวเกิดในไข่เกิดในสิ่งสกปรกปฏิกูลในเชื้อพวกไวรัสทั้งหลายตัวเล็กๆที่สามารถจะใช้กล้องจลุลทรรศน์ส่องดูได้แล้วก็เกิดโดยผุดขึ้นพวกอะไรละพวกเปรด พวกอสุรกายพวกชัตนรกพวกเทวดาพวกปู่มันเทวดาอากาศเทวดารูปเทวดาทั้งหมดเนี่ยก็สรุปแล้วว่าเกิดโดยโอปปาติกะคือเกิดปั๊บขึ้นมาก็เป็นตัวตนเป็นผู้ใหญ่เลยในเวลาตายปั๊บมันก็อันตรธานหายไปเลย ไม่ได้ทิ้งรากเอาไว้นั้นคือจุดต่างของโอปปาติกะเนี mm ่ย hmm. คือพวดกันมาถึงก็เป็นผู้ใหญ่เลยตายปั๊บก็ไม่มีอะไรเหลือให้เห็นเลยมันก็แปรแปล ก, กว่าสัตว์เราอื่นที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปประการต่อไปก็คือความชรา ความจราก็คืออะไรล่ะคือความแก่ความคลั่งคล่าความคันหลุดหลุดผมงอกหนังเหี่ยวยน่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมูสัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชะลาแต่ที่จริงก็ชะลาก็ปรากฏแก่คนทั้งหลายที่เราเห็นกันนี่แหละ เพียงแต่ว่าเรามากักอธิบายไปเป็นอย่างอื่นไม่อธิบายตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่างๆที่เรารู้เห็นกันว่านั้นก็คือสภาวะธรรมธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรมสภาวะมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเวลา นักปราดทั้งหลายก็พยายามที่จะตีวัวหารไปเล่นไปสแสดงแต่บางทีเขาก็จะยากใบเอถ้ายังหมายความมาอย่างนั้นแล้วก็หมายความมาอย่างไงอะ่ะมันก็มีคำถามที่ถามเกินไปเรื่อยๆประการต่อไปมนณะเขาคือความตาย มรณะในที่นี้ทรงนิยามจะก็ความหมายว่ากมอมรณะเป็นชไหนความเคลื่อนความเคลื่อนไปความแตกทำลายความหายไปมรรติอยู่ความตายการทำกาลละความทำลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพการแขะการอินซี ในชีวิตคือในหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆนี่เรียกว่าเป็นมรณะก็คือความตายหมายความความตายก็คือการแตกทำลายของชีวิตสี่ของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าในแง่ของความจริงแล้วความตายมันมีหลายหลายระดับด้วยกันระดับหนึ่งก็ตายอยู่ทุกขณะ คือสวนต่างๆในร่างกายของเราที่ประกอบเป็นกายเราแล้วมันก็ตายไปเสื่อมไปไอ้ น, นี้ก็ตายกันทุกวันตายกันอยู่ทุกขณะมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปตามธรรมชาติของมันประการที่สองนั้นก็เรียกอาการรับมรณะคือเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆแล้วก็ตายไป ัางทีในความเป็นจริงก็ไม่น่าจะตายหรอกแต่ก็ตายไปแล้วก็เป็นความตายที่เรียกว่าการรบมรณะคือถึงคราวที่จะตายถึงคราวที่จะตายบางทีท่านเรียกอุปเฉ ท, ทเามรณะคือความตายของพระหันคือตายรือไมันต้องเกิดอี ในขณะเดียวกันก็พูดถึงความตายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอนุบาลสุเป็นสมมติมรณ ะ, ะคือสมมติเอาว่าตายแต่แท้จริงมันก็ไม่ได้ตายจริงตาเกิดตาเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดอย่ า, ยยายย ง, งนะั้นนะไม่ได้ตายจริง แต่สรุปแล้วว่าเป็นความขาดสิ้นแห่งอินทรีย์คือชีวิตในหมู่สัตว์นั้นหมายความว่าขาดความเป็นชีวิตในขณะนั้นนั้นแต่ว่าก็เกิดต่อไปเอได้เกิดก็มาจากกิเลสกรรมบิติ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลพราต่อไปปริเทวะเป็นช น, นความคร่ำครวนความรำ่ำร่ำให้รําพันปิฎญาที่ค ร, ร่ำครวญปิฎยาที่ร่าให้รําพันภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวญภาวะของบุคคลผู้ร่าให้รําพันบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติแต่งใดอย่างหนึง่ง ผู้ถูกทำคือตูกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะปริเทวะก็คือตามปกติแล้วเราจะรู้สึกต้องพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่เรารักพ่อตายแม่ตายญาติตายปู่ญาตา ย, ยายตายอะไรตลไรข้าวของเสียหายแตกทำลายบานพังเรือน เรือชนรถชนกันอะไ ร, ต, ะะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นความรัฐฟ้าสูญเสียจากสิ่งที่เรารักแต่วันก็ตามไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็มีปริเทวะคือความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความปั่บแคลนใจทุกนั้นก็แบ่งเป็นสองสองอย่างตรงอธิบายว่า ความลำบากทางการกายความไม่สำราญทางกายความเสมออารมณ์อันเป็นทุกข์ไม่ไม่สาราญเกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข์คือหมายความว่าเจ็บปวดเมื่อยสาระไข่เป็นไข้อะไรต ะ, ตะไรสารพัดเนี่ยบาดเจ็บแผลอะไรต่างๆ่เมื่อยขบสารพัด คือหมายความว่าที่เกี่ยวกับร่างกายและเกิดไม่สบายเป็นความไม่สบายที่สืบเนื่องมาจากร่างกายเป็นเหตุร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปร่างกายเราก็ผิดปกติไปก็ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็โทมนัส เป็นความรู้สึกไม่สบายใจเศร้าโศกเสียใจความไม่สมานใจความเสมย อ, อารมณ์เป็นทุกข์ในโลกเกิดแล้วแต่มโนสัมผัสคือความนึกทางใจแม้ความว่าอาจจะเกิดที่การก็ได้แต่เราม า, เ, าเจ็บปวดทุกตรบานทางใจของเรา อันนี้ก็เรียกว่าโถมนะั่นก็ต่อไปอุปายาตคือความกับแค้นใจกับแค้นใจก็คือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นแต่ถ้าสมมติว่ามนุษย์เป็นไปอะไรได้ตามที่เราต้องการมันก็โววิดวิกติพิจนานแล้วโรกมันก็ไม่ใช่โลกแล้ว เพราะงั้นส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอยู่แล้วมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองที่เราต้องการแล้วก็ได้ตามต้องการแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ตามต้องการอันนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางจิตแล้วก็อุปา雅าความคับแคลนใจ ความขับแคลนใจเป็นภาวะของบุคคลผู้ขับใจภาวะของบุคคลผู้ขับแคลนใจของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุปายาตแปล ว, ว่าความขับแคลนใจ คือส่วนที่บีบคั้นเราด้วยประการต่างๆทั้งเป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็เหตุแห่งความเจริญเราพละดพราดสูญเสียจากสิ่งเราเป็นที่รักเราก็คับแค้งใจถูกกดดันถูกกดขี่ถูกบีบบังคับถูก ค, ค่มขู่ขู่ขามจากสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็คับแค้งใจก็ททำอะไรไม่ได้มันก็ขับแค้งใจ นี่เรียกว่าอุปายาตก็ความประจวบ ก, กับสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์อย่างไรคือหมายความว่าในการที่เราต้องไปเจอต้องไปพบต้องไปเกี่ยวข้องนอนร่วมกินร่วมอยู่ร่วมไปร่วม ทำกิจการงานร่วมกับคนที่เราไม่ชอบบรรยากาศที่เราไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่เราไม่ชอบอ่ะคือตามปกติแล้วคนเรามันจะรู้สึกทนุถนอนมตัวเองหาความสําคัญแก่ตัวเองอะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็จะต่อต้านเพราะนั้นทันทีว่าการประโวบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักนี่เป็นทุกข์ทรงอธิบายว่า ความประสบความทั้งพร้อมความร่วมความละคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอ่านไม่น่าปรารถนาไม่น่าครไม่น่าพอใจซึ่งมีแก่ผู้นั้นหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ภาคสุขปรารถนาความไม่ กเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความประโหยกกับสัตว์และสังขารนั้นไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นีก็เป็นประเด็นหนึ่ก็ต่อไปก็คือความพรากจากสัตว์และสังขารเป็นทิรักก็เป็นทุกข์ หมายความว่าสัตว์หรคนหรือสัตว์หรือสิ่งก็ตามที่เราลักอะ่ะแล้วมันก็พราดพลากจากไปสูญเสียไปแตกไปทำลายไปตายไปเราก็ทศสูดเสียใจบริเวณนาการ ค, คร่ำครวญโหยหาด้วยประการต่างๆงบางครั้งบางครา ว, า ค, ราวคนตายตายไปตั้งนานคล้วคนเป็นก็ยังร้องหุมร้องไห้เสียวเสียใจอยู่ นี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่คือกูลปรารถนาความสุขปรารถนาความกเกษมจากโยคะซึ่งแก่ผู้นั้นคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิดอมาตหรือญาติสายโหิต อันนี้เรียกว่าการพลากพรากจากสัตว์และสังขารเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ก็ต่อไปก็คือความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้โดยตามปกติแล้วเราก็ไม่ได้อนะไม่ได้มันส่วนใหญ่ปรารถนาแล้วได้มันส่วนน้อยเท่านั้นเอง จำลองยกลายคนเล่นหวยนะฮะคือแทงหวยแล้วโอากาสถูกนี่มันมีถั่วน้อยแต่นั้นเองส่วนใหญ่มันก็ไม่ถูกแต่คนก็ยังปราธถนายังหวังส่วนน้อยๆถึงคิดว่ามันน่าจะได้แล้วในสตรก็มอมุนหมอมัวหมอมกมุนอยู่ในเรื่องการเล่นหวยการใบหวยการแสวงหาหวย การแสวงหาเลขเด็ดอะไรกันโดยประการต่างๆก็พูกกันไม่รู้เรื่องหรอกเข้าใจได้ยากชี้แจงได้ยากก็ต่อไปรับสั่งว่าก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นชไหนความปรารถนาย่อมมังเกิดขึ้นแก่ศาสต์ผู้เกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอของเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามาถึงเราขอสัตว์นั้นไม่พึงได้สมปรารถนาขอ็อใดที่ได้ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้ น, นั้นก็เป็นทุกข์ คือหมายความว่าความปรารถนานี้มันก็มีสองอย่างคืออย่างที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดแล้วก็ขออย่าเกิดอ่าถ้าเกิดเราก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่เราไม่ปรารถนานี้ก็ขออย่าให้เกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์แต่วความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเป็นความรู้สึกของเรามันคนละเหตุคนละปัจจัยกันคือความ ตามปรารถนาหรือไม่ได้ตามปรารถนามันเป็นเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ตั้งความปรารถนาหรือไม่ตั้งความปรารถนานี่เป็นเหตุของเราแต่เราตั้งความปรารถนาเองความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาเนี่ย ก็ขออย่าให้แก่อย่าให้เจ็บอย่าให้ตายไอ้ น, นี้ดีนะคือดีก็แสดงความเกิดแต่ว่าไม่ปรารถนาความเกิดเพียงแต่ว่าคนที่เราไม่ชอบน่นอยากเกิดมาเราแสดงว่าคนที่ชอบก็ให้เกิดไปทีนี้ถ้าเราถามว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ย เกิดขึ้นจากเราคนที่เราชอบหรือเกิดที่เราไม่ชอบมากกว่าตดลองคำนวณดีๆลองจดเอาไว้นะฮะลองจดเอาไว้บันทึกเอาไว้จะจะเห็นว่าความทุกข์นี่เกิดขึ้นจากคนตัดสิ่งที่เรารักนี่มากกว่าอย่างสมมติว่าคนในบ้านบางคนเรารักเราห่วงใยมาก บางคนเราเกลียดเราชิงชังเราราอาเราเบื่อ น, น่ายแล้วตกกลางคืนคนี่คนสองคนมันหายไปแต่เราจะภาะวะระวังอยู่กับคนซึ่งเรารักนี่มากตอนไม่หลับกระสับกระส่ายต้องโทรศัพท์เช็คไปที่นั้นเช็คไปที่นี้สอบตามคนนั้นสอบตามคนนี้ต้องนั่งเฝ้าคออยู่จนกว่าคนที่เรารักจะกลับมา แต่เราก็ปรารถนาเราปรารถนาให้คนที่เรารักเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพรา ะ, ะความปรารถนามันก็ขัดแย้งกับความต้องการลึกๆจริงๆมันเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากสมุทัยสัตร์ที่มีรากง่า ม, มาจากอาวิชาแล้วข้อต่อไปก็ รับสั่งว่าความปรารถนาอยอมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความโลภมีโทสะมีปริเทวะมีทุกข์มีโทมนัสมีอุปาญาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอของเราไม่พึงมีขอเราไม่พึงมีโศกะขอเราปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเป็นธรรมดาขอโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตจะมีมาถึงเราเลย ชื่อนั้นขอสัตว์ไม่พึงได้สมปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์หมายความว่าเราก็หาเรื่องตั้งความปรารถนาไปเรื่อยๆแล้วต้องให้เป็นไปตามที่เราบงการ ที่เราตั้งความปรารถนาทําไมเป็นไปตามที่เราบงการเราปรารถนาเราก็จะเกิดความไม่พอใจเพรปัญหาที่ไม่น่าจะเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนกันอยู่เลยเรื่องบางเรื่องมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่ว่าเราเอาใจเข้าไปเกี่ยวกเกาะอยู่ยกับสิ่งเหล่านั้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการให้เป็นเราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจนานมาแล้วก่อนอามาจะมาอยู่ที่ที่กรุงเทพเนี่ยที่วัดบรรวรนิเวศเนี่ยเขาบอกว่ามีสุนัขเยอะเมื่อก่อนเนี่ยตอนมามาอยู่ใหม่ๆก่อนปศ2521เนี่ยก็สุนัขเยอะมาก กลางคืนแกก่อเขาแกก่อค ว, วัดแกก่อขอนแกก่อส่งเสียงนะจากนั้นถึงนั้นจากนั้นถึงนั้นก็ดังกันตลอดทั้งวัดนะมันก็ไม่มีวิธีอื่นนอกจากานอนใน ห, หลับคือถ้าเราไปแบกสุนัขเอาไว้มันก็หนักแหละมีภิกษุใหม่รูปหนึ่งท่านท่านไม่คุ้นชินอนะ่ะบ้านท่านมันก็เป็นอีกอย่างนะ ปรากฏว่าคืนหนึ่งท่านโดนสุนัขเข่าหอนขวัดกันนอนไม่หลับตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อถึงเวรเฝ้าสมเด็จประสังกราดาเจ้ากรมาลวงวิช ร, วริยาณวงศ์กราบทูลล่าฟังว่ากระมอมนอนไม่หลับเลยมหมามันเห่าห อ, อโนโอ้โหเล้วเกิด สเด็พระทังฆราเจา้าท่านรับสั่งให้คิดกันไม่ได้ว่าอะไรท่านบอกว่าหูของหมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ปากหมาตั้งเยอะเวลามันเห่าหอนมันน่าจะหนูขูดตัวเดียวแต่หูของคุณนี่กูอยู่ใกล้กว่าปากหมาตั้งเยอะทําไมคุณยังไปเดือดร้อนกับการเห่าหอนของหมา ก็หมายความว่าเราปรารถนาเองแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแหละสุนัขมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเห่ามันหอนมันฟัดมันก็ส่งเสียงกระสือกระโมงของมันมันไม่รู้หรอกว่าใครจะชอบมันหรือไม่ชอบมันแต่ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นไปีครูรูปนั้นก็เก่งนะ คือรับสั่งเท่านั้นเองเธอเข้าใจทันทีแล้วต่อมาก็อยู่ภายในวัดอย่างปกติสุขจนสึกหาลาเรโดไปข้อต่อไปนั้นก็รับสั่งว่าก็โดยย่ออุปาทานคารห้าเป็นทุกข์จะไหนนี่ก็หมายความว่าทุกสารภัพทุกเนี่ยสารภัดทุกร์อยร้อยสี่พันอย่างทุกเนี่ย สรุปแล้วมันอยู่ที่จิตไปยึดมั่นถือมันในขันธ์ทั้งห้าจิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ว่าเป็นทุกข์ยึดมั่นว่าอย่างไรยึดมั่นว่าเป็นของเรายึดมั่นว่าเป็นเรายึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตรงของเรายึดมั่นด้วยเป็นเรานั่นก็ยึดมั่นด้วยหน้าตัณหารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเรา ยึดมั่นอำนาจมานะว่าเราเป็นรูปเราเป็นเวทนาเราเป็นสัญญาเราเป็นสังการเราเป็นวิญญาณรูปเป็นตัวเป็นตนของเราเวทนาเป็นตัวเป็นตนของเราสัญญาเป็นตัวเป็นตนของเราสังการเป็นตัวของนเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตัวเป็นตนของเรานี่ก็คืออาการที่จิตยึดมั่นถือมั่น แล้วในที่สุดแล้วก็เป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนเพราะขันห้ามันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, ร ه, ปรวนร่าการกา ร, การป่วยเนี่ยก็ดีขึ้นสุดลงแล้วก็ทรงอยู่จนถึงจุดหนึ่งก็ตายไป นี่เป็นธรรมดาของขันห้ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองดังนั้นจึงทรงสแสดงว่าอุปาทานาขันคือขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมันเนี่ยห้าประการเนี่ยเป็นทุกเดี๋ยวจากนั้นก็ทรงสแสดงสมุทยัย เกิดทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแม่บทเน่ยเป็นพระพุทธนำ้ำราชตรงตรงเลยตรงตัวนี่เป็นพระพุทธนำ้ำราชแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากคือถ้าเราจะเอาเฉพาะตัวพระบาลีล้วนๆมาอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งมันก็ยากวันก่อนได้ฟังรายการเทพวิทยุของหลวงพ่อ พุทธธาตฟังจับเขาได้ว่าอาจารย์หลวงพ่อพุทธธาตเนี่ยกำลังอบรมครูสอนสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานท่านสอนไปท่านกระบวนไปโอ้ยเราไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกพระพุทธเจ้าจสอนอะไรมากมายกายของอย่างนี้จะนั่งเทศยังไงได้เป็นหลายชั่วโมง สติปัฏฐานหมาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราไปสวดก็สวดกันเป็นชุดชูวหมูแล้วุิจาจะเจศได้่างไงทำไมจะต้องอธิบายรายละเอียดแต่างนั้นเราไม่เชื่อ แ, แต่ทางอธิบายจนจบไปแหละพอเดียว่าจบมวนก็คงจะเทศอยู่หลายวันก็อย่างนีกว่าหลวงพ่อเล่นพูดอย่างนี้คนฟังก็กสงสัยต ต้องใส่วันนี้ตัวลงหลวงพ่อพูด่รจริงหรือไม่จริงนะก็นั่งนั่งฟังแล้วก็กยิ้มยิ้มไปนะก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนี่ก็คือหลวงพ่อนี่ท่านเป็นเจ้าเหตุผลเจ้าคิดเจ้าสังเกตจดจำเป็นพินิจแต่ก็เมื่อท่านเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วท่านก็อธิบาย ไปตามความเชื่อมั่นของท่านเนี่ยโดยไม่เกรงกลัวเกรงใจใครหรอกใครจะว่าอย่างไงท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรคนหนึ่งจะว่าท่านท่านก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่ากันนี่คือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของหลวงพอ่อพุทธะทัดกนน็นานๆจะเกิดนะคนอย่างเนี้ย น, น, นานๆจะเกิดสักทีนะ โลกพระพุทธศาสนาเราในผ่านคนประเภทนี้มาไม่น้อยท่านสังขะท่านวสุปันธุท่นานอัศวโคทันาทนาคาชุนอะไรอะไรต่างๆเป็นนักปลาศประเภทที่มีความเชื่อ ม, มั่นในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็จะแสดงไปตามนั้น แต่ทีนี้ถ้าเราดูกันในแง่ของความเป็นจริงว่าข้อความในพระสูตรจริงๆมันไม่ยาวแต่ว่าประยาวที่อัตกรถาคือข้อความในแต่ละคำนั้นมันมีในยะที่วิจิตปิสดานวันเวลาอธิบายก็ต้องอธิบายโดยวิจิตปิสดานออกไป รับสั่งว่าพิสูน์ทั้งหลายก็ทุกสมุทั ย, ยสัตว์เป็นไฉนตนาที่ทำให้มีความเกิดดีกประกอบด้วยนันทีิราคาเราะเพลเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาปวัตนาวิปวัตนา คือลักษณะของตัณหาเนี่ยตรงอธิบายเหมือนกันก็เรียกว่าแท้ตุ๊กแก่งนะอธิบายเหมือนกันหนึ่งคือโปโนโปภิกาอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากได้นอนอยากไปนี่อยากไปนั่นอยากไปนอนอยากกินนี่อยากกินนั่นอยากกินนอนก็สารพัด ท, ที่ตัณหามันจะกระสันอยาก อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิม้มอยากจิ้มอยากจับต้องแล้วก็ไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้แต่อิ่มแล้วก็ยังยังไม่มีจุดจบก็นึกถึงถึงสัตว์บางชนิดที่ตัณหาแกมากเช่นหมูอย่างเงี้ยคือสังเกตหมูหลายครั้งอนะ่ะเออหมูนี่มันแปลก เอาเทข้าวลงในรางเป็นรางก็ให้หมูมันกินกันหมูก็ตัวเล็กตัวใหญ่อะหมูตัวใหญ่ก็โจงก็ตรงกลางเลยแล้วัวเอาตัวเองไปขวางตัวอื่นเอาไว้ไม่ให้กินในที่ที่ตัวเองขวางเอาไว้แล้วตัวเองก็เริ่มลุยกินจากตรงนั้นมาเพราะว่าไปจับจองไว้มากเกินไปยินไม่หมด ถ้ากินไม่หมดเราจะทำยังไงก็ต้องเอาหัวพาดรางนอนเฝ้าอยู่ไอ้ตัวที่ไม่อิ่มก็ไม่อิ่มไปตัวที่อิ่มจนกินไม่ไหวก็กินไม่ไหวไปนอนเฝ้าอย่างนั้นพอกระเตื้องขึ้นมาหน่อยพอหิวลดลงไปหน่อยก็เริ่มกินต่อแต่ว่า ทุกวันการเลี้ยงหมูไม่ได้เลี้ยงแบบชาวบ้านคงจะประนีตขึ้นนะฮะหมายความเอาหมูชนิดเดียวกันมากินอยู่ในที่เดียวกันหมูขนาดเท่ากันกินอยู่ในที่เท่ากันถ้าไม่งั้นแล้วหมูตัวใหญ่จะเอาเปรียบตัวตัวเล็กเสมอไปนี่ก็เป็นธรรมชาติของโบโนพวิกาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนน้นไปเรื่อย การต่อไปเขาเรียกว่านันดิรา迦萨กาตาจิตสารคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีก็จะพอใจสยบติดเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในสิ่งต่านั้นนี่ก็เป็นลักษณะเีกประการหนึ่งของจิตที่อยากได้อยากได้ในสิ่งที่ ตัวเองอยากพออยากได้มันก็เพลินพอนึกถึงเราก็เริ่มเพลินแล้วก็นึกอยากไปเรื่อยๆมันเริ่มเพลินพอได้มันยิง่งเพลินใหญ่จะเพลินอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากได้ต่ออยาได้ตอก็เพลินต่อเบิร์นเตอร์ยงบอกว่านันด in ิรากาสากตาตาตาตระพินันตินี จิตจะกำหนัดเริ่มหน้าความเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปในอารมณ์เ่านั้นนี่ก็เป็นลักษณะัณหาตันานั้นเมื่อจะเกิดร่อมเกิดในที่ไหนตรงนี้อธิบายพิสดารมากแน่นอนในการอธิบายนะเนี่ยพออธิบายได้แต่ในการตามดูให้เห็นเนี่ยแมมันยากมากสติเราไม่มีกำลังพอ สัญญาไม่แหลมคอไม่แหลมพอความเพียนไม่ต่อเนื่องไม่แก่กล้ามากพอเพราะว่าในกระบวนการรับรู้อารมณ์ทางตาเป็นต้นเนี่ยทรงจําแนกแสดงที่ยิบบางทีก็ทียิบมันเยอะมากๆบางทีก็ไม่เคยที่อะไรแต่ว่าในชุดเนี่ยทรงแสดงไว้เป็นสิบ จังหวะด้ยกันไอ้สิบจังหวะนั้นจริงๆถ้าเราดูให้ดีแล้วมันก็สัน้นนิดเดียวแต่ว่ากระบวนการเกิดดับของจิตเนี่ยมันไปตั้งสิบครั้งแล้วถาม่าหมดได้ยังไม่ใช่หมดอ่ะเพียงแต่ว่าทรงแสดงเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตในขณะนั้นนั้นก็สมมติบัญญัติเรียกขึ้น สมมติปัญญาติเรียกขึ้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เอานับไปก่อนนะฮะคือ 1. อายตนาภายใน 2. อ, อายตนาภายนอก 3. าบิญญาณ 4. ส, สัมผัส 5. ้าเวทนา 6. ตัณหาแล้วก็เวิตก ไม่ไม่ใช่สัญญาสัญเจตนาตานาวิตกวิจารนะฮะทางวิตกวิจารสิบอย่างเลยกันอายตนาภายในภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรบรู้เสียงกินรสพดธ้าธรรมารมมากระทบกันมาประจบกันเรียกว่าอายตนาภายในภายนอก เมื่อเขากระทบกันแล้วก็เกิดความรู้เรียกว่าวิญญาณอาศัยยตนาภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยกลายเป็นภักษะคือการกระทบเตกระทบเราก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็เกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างแล้วก็สัญญาก็เกิดใจกาหนดหมายว่านั่นรูปนั้นเสียงนั่นกลิ่นนั่นรสนั่นผู้ปรพานั้นธรรมารมณ์ สันเจตนามันหลุดไปจากจิตแล้วก็เนียวนึกขึ้นมาคิดมาปรุงคิดมาคิดปรุงขึ้นด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นตนาจิตก็ทยานอยากในสิ่งที่เราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมา แล้วก็วิตกคือความเหนียวนึกตึกนึกถึงในสิ่งที่เราชอบหรือในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เหนียวนึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เหนียวนึกเหนียวนึกด้วยอำนาจของวิภวะตัณหาแต่เหนียวนึกตึกนึกถึงสิ่งที่เราชอบก็เหนียวนึกด้วยการมาตัณหาด้วยภวตัณหาแล้วก็มีการวิจารมีการใจ่ซองกับด้วยประการต่าง แต่ถ้าเราดูให้ดีว่าเราก็คิดรวดเดียวมันไปแล้วย้อนรอยไปถึงสิบข้อโดยเพียงขนาดสั้นๆเท่านั้นเองนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงระบบต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราเนี่ยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันวัดไม่ทันมันจะต้องเรียนรู้ด้วยการ ปฏิบัติแล้วก็เห็นเห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาไม่ใช่เห็นด้วยตาใจเห็นด้วยตาใจแต่เกิดขึ้นภายในใจของเราพอเห็นแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าเออแต่ละเรื่องเนี่ยที่เราต้องต่อสู้เขาเนี่ยมันไม่ใช่เล่นทนั้นเพียงแต่ว่า ปริยายต่างๆในยะที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงเนี่ยมันเป็นเพียงปริยายหนึ่งปริยายหนึ่งตอนนั้นเองมันจะมีจุดบรรจบพบกันในที่ใดที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความลดลงของกิเลสความลดลงของความทุกข์ความเพิ่มขึ้นของความสุข ความเพิ่มขึ้นของกุศลธรรมเท่านั้นเหมือนกันอันนี้อันนี้คือแนวแนวเหมือนกันนี่ก็เป็นหลักสัจจปปะะถึงหัวที่ว่าเรืสัจจปป ะ, ะคือตามปกติแล้วหัวข้อแต่และหัวข้อเนี่ยก็บอกไว้ทุกทาว น, นะแต่ว่าท่านเจ้าของรายการท่านขอให้ช่วยเขียนหัวข้อด้วยก็มันก็แยกกันอยู่อ่ะ คือหัวข้อกับไอ้ก็เรียกอะไรละดี d c ดีซดีนี่มันมันคนละอยู่คนละที่กันเบาะ ง, งัันถึงถึงเขียนไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องฟังทลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศ ร, รีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูดในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายไปยทั่วกันสวัสดี